องค์ประกอบต่างๆที่ค้ำจุนเกื้อหนุนและเสริมประโยชน์ของสมาธิข้อ2องค์ประกอบร่วมของสมาธิดังได้กล่าวแล้วว่าสมาธิที่แน่วแน่แนบสนิทเรียกว่าอัปปนาสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิถึงขั้นนี้ก็เป็นอันเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าฌานในฌานนั้นสมาธิหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเอกะกะตา จะมีองค์ทมอื่นๆจำนวนหนึ่งเป็นตัวประกอบร่วมอยู่ด้วยเป็นประจำเสมอไปชานมีหลายขั้นคือแบ่งเป็นสี่ตามแนวพระสูตรแต่เดิมบ้างเป็นหตามแนวอภิธรรมบางแห่งบ้างยิ่งเป็นชานชั้นสูงขึ้นไปก็ยิ่งประนีตขึ้นยิ่งประนีตขึ้นก็ยิ่งมีองค์รมที่ประกอบร่วมประจำน้อยลงไปตามลำดับดังได้กล่าวในข้างต้นหลายครั้งตามโอกาส องทำประกอบร่วมประจาในฌานรวมทั้งตัวสมาธิหรือเอก ก, ะกะตาด้วยนั้นเรียกสันส้นๆว่าองค์ฌานหรือตามบาลีว่าชานังคะมีทั้งหมด6อย่างคือวิตกวิจารปีติสุขอุเบคาและเอกะกตตามีความหมายสังเขปดังนี้ 1. วิตกแปลว่าความตริดหมายถึงการจรดหรือปักจิตลงไปในอารมณ์หรือยกจิตใส่อารมณ์วิตกมีในปฐมฌานิ 2. วิจารแปลว่าความตรองหมายถึงการฟันเคล้าหรือเอาจิตผูกพันอยู่กับอารมณ์ วิจารณมีในปฐมฌานและมีในทุติยฌานแบบปัญจกนายด้วยองค์ฌานสองข้อนี้ต่อเนื่องกันคือวิตกเอาจิตจดไว้กับอารมณ์วิจารณเอาจิตเคล้าอารมณ์นั้นเปรียบได้กับคนเอาภาชนะสำริดที่สนิมจับไปขัดวิตกเหมือนมือที่จับภาชนะไว้วิจารณ์เหมือนมือที่ถือแปรงขัดสีไปมา หรือเปลียบกับช่างปั้นหม้อวิตกเหมือนมือที่กดไว้วิจาร์เหมือนมือที่แต่งไปทั่วๆข้อสำคัญอย่าเอาวิตกหรือวิตักะทางธรรมนี้มาปะปนกับวิตกที่หมายถึงกังวลทุกข์ร้อนในภาษาไทยองค์ฌานที่สามปีติแปลว่าความอิ่มใจ ดื่มดำหรือเ อ, อิบอิ่มหมายเอาเฉพาะปีติชนิดที่แพรเ อ, อิบอาบซาบซานไปทั่วสารพางกายที่เรียกว่าพารณาปีติปีติมีในชานที่หนึ่งและสองหรือในชานที่หนึ่งสองและสของปัญจการไหนองค์ชานที่สสุแปลว่าความสุข หมายถึงความสำราญชื่นชมคล้องใจปราศจากความบีบคั้นหรือรบกวนใดๆสุขมีในชานที่หนึ่งถึงสหรือถึงชานที่สี่ในปัญจกันในปีติกับสุขสำหรับบางคนอาจสับสนแยกๆจึงควรทราบลักษณะที่ต่างกันกล่าวคือปีติหมายถึงความยินดีในการได้อารมณ์ที่ต้องการส่วนสุขหมายถึง ความยินดีในการสวยรถอารมณ์ที่ต้องการตัวอย่างเช่นคนผู้หนึ่งเดินทางมาในทะเลทรายเหนื่อยอ่อนแสนจะร้อนและหิวกระหายต่อมาเขาเห็นหมู่ไม้และแองน้ำหรือพบคนอีกคนหนึ่งซึ่งบอกเขาว่ามีหมู่ไม้และแองน้าอยู่ใกล้ที่นั้นหลังจากนั้นเขาก็ได้ไปถึงเข้าพักผ่อน และดื่มน้ำที่หมู่ไม้และแอ่งน้ำนั้นสมใจอาการดีใจเมื่อเห็นหรือได้ยินข่าวหมู่ไม้และแอ่งน้ำนั้นเรียกว่าปีติอาการชื่นฉ่ำใจเมื่อได้เข้าพักที่ใต้ร่มไม้และได้ดื่มน้ำเรียกว่าสุของฌานที่5อุเบคาแปลว่าความวางเฉย หรือความมีใจเป็นกลางหรือแปลให้เต็มว่าความวางทีเฉยดูอยู่หมายถึงการดูอย่างสงบหรือดูตามเรื่องที่เกิดไม่ตกเป็นฝักฝ่ายในกรณีของฌานคือไม่ติดข้างแม้แต่ในฌานที่มีความสุขอย่างยอดในความหมายที่สูงขึ้นไปอีกอุเบกขาหมายถึงวางทีดูเฉยอยู่ในเมื่ออะไรทุกอย่างเข้าที่ดำเนินไปด้วยดี หรือเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องขนขวายเจ้ากี่เจ้าการโดยเฉพาะในชานที่สี่คือบริสุทธิ์หมดจดจากธรรมที่เป็นข้าศึกเรียบร้อยแล้วจึงไม่ต้องขนขวายที่จะกาจัดธรรมที่เป็นข้าศึกนั้นอีกจัดเป็นองค์ชานโดยเฉพาะของชานที่สี่หรือชานที่ห้าของปัญจากไนความจริงอุเบกขามีในชานทุกขั้นแต่ในขั้นต้นๆไม่เด่นชัด ยังถูกทำที่เป็นค่าศึกเช่นวิตตกวิจารณ์และสุขเวทนาเป็นต้นขมไว้เหมือนดวงจันทร์ในเวลากลางวันไม่กระจางไม่แจม่มเพราะถูกแสงอาทิตย์ขมไว้ครั้นถึงชาญที่สี่ทำที่เป็นค่าศึกระงับไปหมดและได้ราตรีคืออุเบกขาเวทนาหนุนก็บริสุทธ์ปุดพองแจ่มชัดและพาให้ทำอื่นๆที่ประกอบอยู่ด้วยเช่นสติพลอยแจ่มชัดบริสุทธ์ไปด้วย ขอย้ำให้พึงระวังความสับสนระหว่างอุเบกขาเวทนาที่เป็นองค์ฌานซึ่งได้แก่ตัตธรรมชตตาคือภาวะเป็นกลางอันเป็นกุศลธรรมอยู่ในหมวดสังขารขันกับอุเบกขาที่เป็นเวทนาคือความรู้สึกเฉยซึ่งเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าอทุก ข, ขมสุ ข, ขเวทนาแปลว่าความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกขและเป็นของไม่ดีไม่ชั่วในฌานที่สี่ อุเบกขาที่เป็นองค์ฌานมีอุเบกขาเวทนาประกอบร่วมด้วยคือมาทั้งสองอย่างองค์ฌานที่หเอกะกะตาแปลว่าภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวได้แก่ตัวสมาธินั่นเองมีในฌานทุกขั้นความที่จะต้องย้ำว่าอีกครั้งหนึ่งมีว่าคำว่าองฌาน หมายถึงองค์ธรรมที่ประกอบร่วมอยู่เป็นประจำในฌานขั้นนั้นๆและเป็นเครื่องกําหนดแยกฌานแต่ละขั้นออกจากกันให้รู้ว่าในกรณีนั้นเป็นฌานขั้นที่เท่าใดเท่านั้นไม่ใช่หมายความว่าในฌานมีองค์ธรรมทั้งหมดอยู่เพียงเท่านั้นความจริงในฌานองค์ธรรมอื่นๆที่ประกอบร่วมอยู่ด้วยซึ่งเรียกว่าสัมปยุต ธ, ธรรมแต่เกิดขึ้นประจำบ้างไม่ประจำบ้าง และไม่ใช่เป็นตัวกำหนดแบ่งขั้นของฌานยังมีอีกเป็นอันมากเช่นสัญญาเจตนาชันทะวิริยะสติมณสิการเป็นต้นแม้ในคำบรรยายฌานแต่ละขั้นในพระสูตรก็ยังระบุ ธ, ธรรมที่เน้นพิเศษไว้อีกเช่นในตติยฌานเน้นสติสัมปชัญญะเป็นตัวธรรมหน้าที่ชัดเจนมากกว่าในฌานสองขั้นต้น ซึ่งก็มีสติสัมปชัญญะด้วยเช่นกันและในจ่าตุทะชานย้ำว่าสติบริสุทธิ์แจ่มชัดกว่าในฌานก่อนๆทั้งหมดทั้งนี้เพราะอุเบกขาที่แจ่มชัดบริสุทธิ์เป็นเครื่องหนุนไม่เฉพาะสติเท่านั้นที่ชัดแม้สัมปยุทธธรรมอื่นๆก็ชัดขึ้นด้วยเหมือนกันความที่กล่าวนี้เป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เอาฌานไปสับสนปนเปกับภาวะที่จิตลืมตัว หมดความรู้สึกถูกกลืนเลือนหายเข้าไปในอะไรอะไรหรือเข้าไปรวมกับอะไรอะไรอันหนึ่งคำพีพิสุทธิมักอ้างคำพีเปตโกประเทศว่าองชาญห้าที่เกิดขึ้นตั้งแต่ได้อั ป, ปนาสมาธิและบรรลุชาญที่แรกนั้นเป็นปฏิปักษ์กันกับนิวรห้าที่ละได้แล้วด้วยโดยเป็นสตรูกันเป็นคู่คู่คือวิตก เป็นปฏิปักษ de ์ของถีนามิทัวิจารณเป็นปฏิปักษ์ของวิจิกิจชาปีติเป็นปฏิปักษ์ของพยาบาทสุขเป็นปฏิปักษ์ของอุทจักกุกกุจจะสมาธิหรือเอกกัตตาเป็นปฏิปักษ์ของกามฉันทะเมื่อทำเหล่านี้เกิดขึ้นก็ย่อมกำจัดนิวรณ์ให้หมดไปและเมื่อทำเหล่านี้อยู่ นิวรก็เข้ามาไม่ได้แต่ในทางตรงข้ามถ้านิวร์ครอบงำใจอยู่ทาเหล่านี้ก็ทาหน้าที่ไม่ได้อย่างไรก็ตามเรื่องนี้พึงดูพ่อชงซึ่งเป็นหมวดทาฝ่ายตรงข้ามกับนิวร์โดยตรงตามเน ย, ยักพุทธพจน์ที่จะกล่าวถึงต่อไปด้วย